สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองและวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้กับทุกทุกคนได้ฟังอีกนนเช่นเคยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าหมอมฉเลฉเลียวเฉลียวหรือสิ่งที่คนแถวบ้านฉันเรียกว่าตาเหลวแรกอยู่ในหลายโอกาสหลายพิธีกรรมฉนันมักเห็นฉเฉลยเียวที่หมอต้มยาเสียบเอาไว้ที่หม้อต้มยา เพื่อให้ยาหม้อคองคุณภาพตามความเชื่อเห็นตะเหลวแขวนตามบ้านงานเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคอยดักจับผีที่ไม่ดีที่จะมาทําร้ายคนในงานหรือคนในบ้านตะเหลวที่ปักอยู่ตามคันนาแม่เคยบอกว่าจะเอาไว้ช่วยปกป้องข้าวในนาให้อยู่รอดและปลอดภยัยได้ผลผลิตที่ดีแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ฉเหลยวยังมีอีกหลายความหมายที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน ฉเฉลียวเป็นสิ่งที่พระยมหรือมัจจุราชใช้ในการตามจับพูดผีและวิญญาณจึงมักใช้ฉเฉลียวในการกันผีอะไรต่อมีอะไรในหลายโอกาสด้วยดังนั้นการที่ทารกชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมปานแดงสดรูปร่างคล้ายฉเฉลียวห้าแฉกที่หลังมือขวาในบ้านที่พ่อแม่เป็นคนธรรมะธรรมโมแถมไม่เชื่อเรื่องผีผีนี่จึงเป็นความประหลาดยิ่งอันที่จริง สิ่งที่ทำให้คนรอบข้างต่างแปลกใจคือเด็กทารกคนนั้นเกิดกับพ่อแม่ที่มีผิวขาวเหลืองแต่กลับออกมาเป็นผิวแดงดำผมหงิกสัน้นตัวค่อนข้างโตและบึกบึนดวงตาดุเสียงรอง้องก้องกลางวันห้าวผิดกับทารกทั่วไปจนหลายคนที่ได้ยินถึงกับสะดุ้งคนเฒ่าคนแก่เชื่อกันว่าเด็กคนนี้เป็นร่างอวตารของพระยม ที่เกิดมาเพื่อคอยช่วยเหลือผู้คนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีแต่พ่อแม่ของเด็กไม่เชื่ออย่างนั้นพวกเขาเลี้ยงดูลูกชายของเขาเป็นอย่างดีและตั้งชื่อว่ามินมอหรือเข่าดำที่ติดก้นหม้อในความหมายที่เข้าใจกันตามที่ยายของเด็กทักเอาไว้ว่าให้ตั้งชื่อให้หน้าเกลียดน้าเกลียดเพื่อหลอกผีผีจะได้ไม่อยากมายุง่งหรือลักตัวเด็กเอาไปเป็นลูกเวลาเรียกลูกสั้นๆบางทีก็เรียกว่า ลูกม่อเลี้ยงดูกันมาตามปกติเด็กก็เติบโตแข็งแรงเหมือนเด็กทั่วๆไปทั้งที่ภายนอกดูบึกบึนแต่ข้างในกลับอ่อนโยนและมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอยู่เสมอๆเช่นเดียวกับพ่อและแม่ของเขาแต่พอเด็กคนนี้เริ่มรู้ความอายุสักประมาณห้าขวบแกก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆคือแกมักจะขอพ่อกับแม่ให้พาไปบ้านคนที่เจ็บป่วยคนที่มีอาการแปลกๆ ใกล้จะตายอยู่ที่บ้านพอไม่พาไปก็รบเรา้าจนทนไม่ไหวเลยต้องยอมพาไปแล้วมิ่นม้อก็เดินขึ้นบ้านคนป่วยคนนั้นไปเอามือข้างขวาที่มีปานฉเฉลวีวแตะไปบริเวณบ้านก่อนที่จะเข้าไปแตะตัวคนป่วยแล้วหลังจากนั้นคนป่วยก็มีอาการหายจากอาการป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ภายในวันนั้นเลยเป็นอยู่อย่างนี้สัก3ถึงบ้านของมินมอ ก็เริ่มมีคนแวะเวียนไปหามากขึ้นขอร้องพ่อกับแม่ของเด็กให้พาเด็กไปรักษาคนป่วยที่อยู่ที่บ้านจากที่เรียกตามพ่อแม่เด็กว่าลูกหมอก็เริ่มพากันเรียกว่าลูกหมอโดยความพี่น้องพี่เทาเป็นพิเศษแต่นอกจากหมิ่นหม้อจะไม่ยอมไปตามที่เชิญแล้วยังเริ่มเก็บตัวเงียบไม่ค่อยยอมพูดจากับใครอีกด้วยพ่อกับแม่ของหมินหม้อก็เริ่มเครียดและขอร้องแม่ให้ใครแห่กันมาที่บ้านอีก หลังจากนั้นเมื่อมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่เขาว่าผีเขา้าคนโดนของหรือการป่วยที่แปลกประหลาดออกไปเด็กมินม อ, มอก็จะขอให้พ่อกับแม่ของเขานั้นพาไปเองและก็จัดการจนอยู่มือโดยการเอามือขวาแตะเบาๆเพียงเท่านั้นฉันเคยเห็นกับตาอยู่ครั้งหนึ่งป่าข้างบ้านฉันเขาว่าโดนผีกระสิงกลางคืนจะลงมาหักคอไ ก, ก่กินดิบๆตาขวาง ร้องด่าทุกคนที่เข้าใกล้พอรู้ว่ามิ่นม่อเดินขึ้นบันไดเรือนมาเท่านั้นก็ดิ้นพวดพราดทุรนทุรายร้องกรีดกรีดแล้วก็บอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วจนมินม่อเดินไปเอามือขวาที่มีปานฉเฉลียยแตะที่หัวเบาๆร่างนั้นกดซุดและหมดสติลงทันทีพอฟื้นได้สติมาก็กลายเป็นคนเดิมตามปกติไม่มีอาการประหลาดอีกแกรักษาคนด้วยวิธีนี้จนโตเป็นหนุ่ม แต่การที่จะไปรักษาหรือไล่ผีให้ใครนั้นแล้วแต่ความประสงค์ของมิ่นมอ่อเองเท่านั้นหลายรายก็เลยกโกรธมิ่นมอ่อไม่ได้อธิบายอะไรแต่บอกว่าบางรายแกก็ช่วยไม่ได้จนในตอนนี้มิ่นมอ่อกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อของหมอเฉลิว <c oughs> พ่อกับแม่ของแกเสียชีวิตหมดแล้วเมื่อแกอายุได้18ปีนอนหลับตายไปเฉยเฉยแกจึงอยู่แต่บ้าน มีคนที่ศรัทธาเคารพเอาข้าวเอาน้ำมาเลี้ยงดูอย่างไม่ขาดพ่อหมอฉเฉลียวแม้จะมีโอกาสในอามิ t เงินทองแต่แกยืนยันที่จะไม่รับเงินใครทั้งนั้นบางรายเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเด็กนอนฝันร้ายแม่ยายเจ็บคอแกก็สารก้านมะพร้าวหรือใบลานทำเป็นฉเฉลียวให้ไปแขวนหรือเสียบหม้อต้มยาพอให้เป็นกาลังใจโดยไม่คิดเงินเช่นกัน มีคนเคยถามหมอฉเฉลวว่าแกช่วยใครต่อใครมามากแบบนี้อยากได้หรืออยากทำอะไรในชีวิตแกนั่งเมา อ, อยู่แล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากทำนั้นทำไม่ได้ในชาตินี้อยากบวชอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดส่งบุญในพ่อกับแม่ที่ล่วงลับแต่พอถามต่อว่าทำไมถึงทำไม่ได้แกก็ไม่ได้ตอบอะไรเรื่องของหมอฉเฉลีวนี้ยังคงเรียบเรื่อยไป เป็นเหมือนตำนานของปู่จานหลายๆคนที่อาจจะเสริมแต่งบ้างด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพอให้สนุกแต่ทว่าในปีที่แกอายุได้25ปีพอดีนั้นก็มีเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้หมอฉเฉลวกลายเป็นที่รู้จักกันทั้งแถบภาคเหนือเมื่อเกิดเรื่องชวนคนลุกขึ้นในวันที่หญิงสาวท้องโตคนหนึ่งถูกหามปีกเดินตาลอยเข้ามาขอความช่วยเหลือในบ้านของแกหญิงสาวคนนั้น ถูกประคองมาด้วยอาการเมื่อรลอยใบหน้าซีดเซียวรอบปากเขียวสามีและแม่ของเธอประคองแขนกันมาคนละข้างมาขอร้องให้หมอเฉลียวช่วยบอกว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหญิงสาวตั้งท้องมาได้สักสี่เดือนวันหนึ่งก็มีอาการนิ่งตัวแข็งไม่พูดไม่กินข้าวกินปลาตาลอยพวกญาติพี่น้องเห็นก็พากันตกใจ พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่พบความผิดปกติใดๆหมอที่ฝากท้องบอกว่าเด็กในคันสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆและอาการที่หญิงสาวเป็นอาจจะเป็นแค่ความเครียดระหว่างตั้งคันก็เป็นได้หมอให้ยาบำรุงมากินเพิ่มและนัดพบจิตแพทย์แต่ที่บ้านของเธอรู้สึกว่ามันมีอีกหลายอย่างที่หมอที่โรงพยาบาลไม่น่าจะให้คาตอบได้เริ่มจาก หญิงสาวมีอาการนอนละเมอตอนกลางคืนพูดพึมพำในลำคอเป็นเสียงคนอื่นและที่น่าตกใจคือเสียงเป็นเสียงของผู้ชายและพูดขึ้นมาว่ามาแล้วนะมาแล้วนะพอปลุกให้ตื่นก็จำอะไรไม่ได้เป็นอย่างนี้มาสามสี่คืนจนกระทั่งเข้าคืนที่ห้าที่หหญิงสาวละเมอเดินจะกระโดดลงหน้าต่างบ้านแล้วพูดว่า มาแล้วนะจะมารับไปอยู่ด้วยที่บ้านและสามีของเธอได้ยินชื่อหมอฉเฉลียวมาจากญาติคนหนึ่งที่หมอฉเฉลียวเคยช่วยเอาไว้ตอนเด็กๆจึงพากันเอาตัวหญิงสาวมาที่นี่หวังพึ่งบารมีของหมอฉเฉลียวเอาเครื่องไหวบูชาตามที่ตัวเองเชื่อมาถวายเรียบร้อยเมื่อได้พบหน้าหมอฉเฉลียวที่ผิวดาสนิทเหมือนหมินหมอและตัวสูงใหญ่เป็นครั้งแรกใครๆก็ต้องผงะ แต่อาการของหญิงท้องแก่ต้องเรียกว่าผวาเมื่อจ้องหน้ากับหมอเฉลียวแล้วหายใจเข้าคอดังเฮือกๆ อ, อยู่3าถึงสครั้งดวงตาเหลือกลานสายหน้าไม่ยอมเข้าใกล้หมอเฉลียวมองหน้าเธอแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกใจเย็นๆเท่านั้นหญิงสาวก็หลับไปเฉยเฉยจนต้องช่วยกันประคองตัวไปนอนกับพื้นกลางบ้านตอนนั้นคนที่อยู่แถวแถวนั้นก็พากันสนใจตามขึ้นมาดูกันเต็มบ้านไปหมด รวมทั้งตัวฉันด้วยจึงจําภาพเหตุการณ์ในวันนั้นได้ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้หมอเฉลียวถามแม่หญิงสาวคนนั้นว่าคนชื่อต๊อกคือใครแม่หญิงสาวท้องแก่ได้ยินคําถามถึงกับสะดุ้งเลยหน้าซีดแต่ก็ตอบไปเบาๆวา่าเป็นแฟนเก่าของลูกสาวแต่ตายไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนก่อนที่ลูกสาวจะแต่งงานกับคนนี้นางพูดพร้อมชี้นิ้วไปที่สามีของคนป่วยที่นั่งปั้นหน้านิ่งอยู่ใกล้ หมอฉเฉลียวมองหน้าหญิงสาวอยู่ครู่หนึ่งขนาดท้องของเธอใหญ่มากจนผิดปกติราวกับคนใกล้จะคลอดมากกว่าจะมีอายุครรภ์เพียงสี่เดือนหมอฉเฉลียวถอนหายใจแล้วบอกว่าเจ้ากรรมในเวรกันยังไม่หมดกรรมปกติแล้วผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกหญิงคนเป็นแม่ก้มกราบลงกับพื้นหมอฉเฉลียวช่วยเอามือแตะที่ท้องลูกสาวอีกชั้นสักหน่อยเธอเจ้าค่ะขอให้ได้แค่ลองเท่านั้น เผืออประมงคลมันจะออกไปจากตัวลูกสาวได้หมอฉเฉลียวก็ลองเอามือวางไว้เหนือท้องที่ป่องของเธอเพียงแค่เว็บเดียวก็ยกมือออกปรากฏว่าภาพที่น่าขนลุกก็เกิดขึ้นตรงนั้นในท้องของหญิงสาวยวบไปยวบมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างราวกับมีสิ่งประหลาดเคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงโดยที่เจ้าตัวไม่มีทีท่าว่าจะลืมตาตื่นขึ้นมาท้องของเธอยุบยวบและปวดโป่ง อย่างที่ไม่น่าจะมีใครเคยเห็นมาก่อนชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่ก็ถอยกรูอกมาร้องหฮือาด้วยความหวาดกลัวสามีของเธอหน้าซีดเผือดแม่ของเธอยกมือลูกสาวขึ้นมากอดร้องเรียกลูกให้ตื่นแต่ยิงท้องก็ยังไม่ยอมตื่นสักพักหน้าท้องก็กลับมาเป็นทรงกลมเหมือนเดิมและสงบนิ่งเหมือนตอนแรกหมอฉเฉลยวบอกว่าเขาไม่ได้มาทาร้ายหรอก แต่นี่ใจเขายังอยู่กับคนที่รักเขาตายไปโดยไม่ถึงอายุไขผมช่วยไม่ได้จริงๆผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ติดค้างมันคืออะไรกันแน่เหมือนเขาอยากให้คุณพูดนะหมอเฉลยวว่าพลางหันไปทางสามีคนป่วยชาวบ้านที่มุงดูอยู่ทำให้เขาอึกอักอยู่พักหนึ่งก่อนจะยอมเล่าว่าเขากับพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นคนกดดันให้หญิงสาวเลิกกับแฟนเก่าที่รัก แล้วก็มาแต่งงานอยู่กินด้วยกับเขาเพราะมีความเหมาะสมกันมากกว่าทั้งสองคนตกลงที่จะหนีตามกันไปต็อกจะมารับหญิงสาวให้แอบปีนลงทางหน้าต่างแต่เนื่องว่าถูกจับได้เลยหนีไม่สำเร็จจนกระทั่งในงานวันแต่งแฟนเก่าที่ชื่อต็อกก็ตัดสินใจแขวนคอตายหนีความเศร้าและต่อจากนั้นมาหญิงสาวก็เริ่มตั้งท้องและเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มขึ้นดังกล่าว หมอฉเฉลียวถอนหายใจบอกให้ชายคนนั้นและแม่ของหญิงสาวกล่าวขออโหสิกรรมให้แก่คนตายและแผ่เมตตาในขณะที่หมอฉเฉลียวใช้มือวางบนหน้าท้องที่ปวดปนนั้นและไม่กี่วินาทีต่อมาทุกคนที่นั่นก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อเห็นท้องของคนป่วยค่อยๆ ย, ยุบลงราวกับลูกโป่งที่ถูกปล่อยลมออกช้าๆหลายคนปรารถ้ามาดูว่าน้ำคร่ำแตกหรือเปล่า แต่ก็ไม่มีของเหลวใดๆออกมาทั้งสิน้นจนกระทั่งอึดใจหนึ่งท้องของเธอกระยุบลงและราบเรียบหมอฉเฉลียวให้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลและพบว่าคันของเธอเป็นคันที่มีแค่ถุงน้ำเปล่าๆไม่มีตัวเด็กและหลุดออกมาเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดอย่างยิ่งหลังจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องแปลกๆของหมอฉเฉลียวอีกที่ทาเอาขนลุกขนพองได้พอๆกัน